สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้านี้เราอยู่ในชิดสาวกตอนที่ห้าเรื่องอุปสรรคในการเป็นสาวกพี่น้องครับการที่เราเป็นสาวกนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายและเราต้องสละทุกสิ่งต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอีโก้เป็นตัวตนของเราติดตามพระเยซูผู้ที่เริ่มติดตามพระเยซู เขาก็สามารถแน่ใจนะครับว่าเขาจะมีโอกาสมากครับมีโอกาสมากที่จะติดตามพระเยซูใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็มีโอกาสมากที่จะหนีครับหนีออกจากการเป็นผู้ติดตามพระเยซูมีโอกาสหันหลังกลับได้มากเหมือนกันเพราะจะมีเสียงอื่นๆที่เรียกร้องเขาให้เขาจะออกจากทางของพระเจ้าไม่อยากเป็นสาวกอีกต่อไป ในวันนี้นะครับจะยกเป็นลักษณะของคําอุปมาเหมือนกับมีคนสามคนครับมีคนสามคนที่เขาทําท่าว่าจะเป็นสาวกมีทีท่าว่าอยากจะเป็นสาวกติดตามพระเยซูแต่เขายอมให้เสียงอื่นๆดังกลบพระสุรเสียงของพระเยซูแทนปล่อยให้เสียงของโลกปล่อยให้เสียงของตัวเองปล่อยให้ความอยากได้ความอยากเป็น ต่างๆเนี่ยนะครับมาทำให้ความปรารถนาที่จะเป็นสาวกของพระเยซูนั้นก็ค่อยๆสูญหายไปและพระคัมภีร์นะครับลูกาบทที่9ข้อ57ถึงข้อ62ซึ่งผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้ามาให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ลูกาบทที่9ข้อ57ถึง62เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า ตรอง์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามไปทางนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีพระองค์และนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บ, บิดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า ผมอยากจะขออ่านข้อสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับอยากจะให้เราคิดถึงภาพของคนสามคนผู้ชายสามคนครับที่มาเผชิญหน้ากับพระเยซู เขารู้สึกว่ามีอะไรมาดนใจเขาให้ตามพระเยซูไปแต่ชายทั้งสามคนนั้นก็ยอมให้สิ่งอื่นมากัน้นมาขวางไว้ระหว่างจิตวิญญาณของเขากับการถวายตัวเป็นสาวกของพระเยซูชื่อของคนคนแรกครับผู้ชายคนแรกชื่อว่านายรวดเร็วผู้ชายคนแรกนะครับเราจะเรียกเขาว่านายรวดเร็วเพราะว่าเขาเป็นคนที่รวดเร็วครับเป็นคนที่กระตือรือร้น ขันอาสาอยากจะตามพระเยซูไปทุกหนทุกแห่งเลยเขาจะพูดอย่างนี้ครับว่าพูดกับพระเยซูว่าผมจะตามพระองค์ไปไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปทางไหนผมตามได้หมดแล้วครับเขาคิดว่าเขาไม่ต้องเสละอะไรเขาคิดว่ากางเขนก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกเขาคิดว่าทางที่จะจะไปนั้นก็ไม่ขรุขระมากนักคําตอบของพระเยซู แต่ทีแรกก็ดูไม่เกี่ยวข้องกับความเต็มใจที่นหนรวดเร็วเสนอไปเลยพระเยซูตรัสว่าไงครับพระเยซูตรัสกับนายรวดเร็วว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะแท้จริงแล้วพระเยซูกำลังตอบเขาตอบเขาเหมือนกับที่พระองค์ตรัสว่าคุณจะตามฉันไปชุกแห่งหรือ คุณจะตามฉันไปทุกแห่งจริงหรือแม้ว่าจะไม่มีสิ่งสะดวกสบายในชีวิตนะชุนักจิ้งจอกยังมีโพรงหมายความว่าชุนักจิงจอกนั้นยังสบายกว่าฉันอีกนกในอากาศ ก, าก็ยังมีรังเป็นของตัวเองแต่ฉันแต่พระเยซูฉันไม่มีบ้านช่องพระเยซูไม่มีบ้านช่องครับ ต้องชัดเซพระเนจรไปในโลกไปในโลกที่ฉันสร้างขึ้นมาเองพี่น้องครับพระเยซูเต็มใจฉละสวรรค์มาหาเราท่านยังจะเต็มใจฉละบ้านของท่านตามฉันไปหรือเปล่าท่านเต็มใจที่จะทำโดยไม่มีความสะดวกสบาย เพื่ออุทิศตัวรับใช้ชั้นหรือเปล่าพี่น้องครับในที่สุดนั้นนายรวดเร็วก็ไม่เต็มใจครับเพราะว่าเขารักความสรดกสบายในโลกนี้มากกว่ารักพระเยซูคนที่สองครับชื่อว่านายช้านายช้านายช้าเกินการเนี่ยหรือนายช้านะครับ เขาไม่ขันอาสาเหมือนกับชายคนแรกเพราะว่าเขาช้าครับพระเยซูเรียกเขาเป็นสาวกคำตอบของเขาไม่ได้เป็นคำตอบว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่เขาก็มีความสนใจในพระเยซูหน่อยมีอยู่บ้างก็มีบางสิ่งต้องทำก่อนครับพี่น้องครับมีบางสิ่งที่ก็ททำก่อนเขาอยากจะไปอะไรครับไปฝังศพอีดาของเขาก่อน เป็นการถูกต้องครับที่ลูกชายจะต้องเคารพบิดามารดาถ้าคุณพ่อเสียชีวิตก็ทําถูกครับที่จะต้องไปฝังศพคุณพ่ออย่างมีเกียรติแต่ชีวิตที่ทําถูกต้องตามขนบธรรมเนียมนี้จะสําคัญกว่างานของพระเจ้าไหมคําตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความความไม่ยอมให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งหรือเปล่า ความเทวิคิยานที่แท้จริงของเขาก็คือว่าเขานึกถึงตัวเองก่อนเอาตัวเองเป็นใหญ่เขากำลังบอกกับพระเยซูว่าองค์เจ้าค่ะรอก่อนนะรอก่อนในขณะที่พระเยซูเรียกร้องให้เขาสละทุกสิ่งตามพระเยซูไปพี่น้องครับดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คิดว่าพระเยซูพงก่อนแต่เขา มีความคิดเหมือนกับหลายหลาคนบอกว่าพระเยซูฆ่าพระองค์ก่อนนี่คือนายชาครับแต่พระเยซูพูดไงกับเขาครับพระเยซูพูดว่าให้คนตายฝังคนตายเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในหลายหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราพลาดโอกาสนี้ไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ พร้อมในการเชื่อฟังพระเยซูพี่น้องครับชายคนแรกพบว่าความสะดวกสบายเป็นอุปสรรคต่อการเป็นสาวกชายคนที่สองเห็นว่างานอื่นสําคัญกว่างานที่พระเยซูเรียกร้องเรามาดูครับชายคนที่สามชื่อในง่ายในง่ายนี้มีความหมายว่าในง่ายเกินไปเขาเป็นเหมือนกับคนแรกที่ขันอาสาติดตามพระเยซูครับ เปเยซูเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่แต่ขอข้าพเจ้าไปลาคนที่บ้านก่อนเราเห็นว่าคำขอร้องเนี่ยไม่ผิดนะครับความสนใจต่อญาติพี่น้องการแสดงมารยาทโดยไปล่ำลาเขาเรามาดูครับว่าชายผู้นี้พ่ายแพ้ยังไงครับเพราะว่าเขายอมให้ความรู้สึกตามธรรมชาติสำคัญกว่าเสียงเรียกร้องของพระเยซู เพียชูตักเขาว่าผู้ใดที่เอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าสิทธิ์ของเราย่อมไม่นึกถึงตัวเองและอ่อนแอเราอยากจะได้ผู้เต็มใจสละสิ่งสารพัดสิ่งผูกพันทั้งบ้านและผู้ที่จะไม่ยอมให้ญาติพี่น้องชักชวนไปผู้ที่จะยกเราขึ้นเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเขา พี่น้องครับข้อผูกพันพันธะทางบ้านทำลายความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นสาวกพระเยซูนี่เป็นสิ่งน่าคิดนะครับสามคนนี้ติดตามพระเยซูไม่ได้ในที่สุดในรวดเร็วในช้าในง่ายพอในรวดเร็วนั้นรักความสะดวกสบายทางโลกในช้ารักงานตำแหน่งหน้าที่ หน้าตาของตัวเองมากกว่าพระเยซูในง่ายก็คือความผูกพันทางครอบครัวมาก่อนพระเยซูยังคงเรียกร้องให้พวกเราตามพระเยซูไปอย่างกล้าหาญจะมีใครไหมครับที่ปรารถนาหรือว่าจะคิดว่าไม่เอาดีกว่าเบลือนตัวอย่าไปทำเลยเหนื่อย ขอพเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่เป็นทั้งสามสามคนนี้แต่เราจะเป็นเหมือนกับสาวกของพระเยซูเมื่อพระเยซูเรียกเขาขณะที่เขากําลังชุนอวนอยู่ขณะที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาอยู่พระมีบันทึกชัดเจนครับว่าสาวกต่างๆเหล่านี้ได้ทิ้งอวนทิ้งเรือทิ้งภาระหน้าที่ที่เขารับผิดชอบอยู่ทิ้งการงาน ทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขามีตำแหน่งอยู่บ้างติดตามพระเยซูไปทันทีอาเมน